แดงไหนคุณแดงมหาชัยเจ้าค่ะที่สมุทรสาครน่เจ้าค่ะอ๋อนี่มาใหม่ไหมละ่ะนี่แต่คนเกา <c oughs> เ่าทำไมาใกล้กันเลครับผม ไม่ปวดเลยวางไว้เตียงเลยอีกพวกหนึ่งว่าไม่ทันเถเจ้าค่ะกำลังมาจะต่อกันมาเลยอันปัจจัยนี้เป็นอะไรยอมน้งตาก็มาใส่ตูวไปแล้วเพื่อนเธอร้ายเป็นองค์เหรอเจ้าค่ะเกิดที่เลดแม่ขาวก็ถเถียงเอาพระก็เถียงเอา คือหลวงปู่พระเหตุมากก็ยังมีภาควิจา์กันอยู่เช่านีปฏิรูปพระสงฆ์พระสงฆ์ม่แตะทะเลาะ ก, กันสักทำยังไงจะปฏิรูปได้เต่า <c oughs> ที่ตะตะวันให้บุญนี่ยังต้องไม่ให้พระสงฆ์จับเงินจับทอง <c oughs> เราหลวงพ่อมันจะใสหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ไ มันสมัยใหม่แล้วไม่ทันการไม่ทันเวลาอา้าไม่ทันเวลายังไงพุธเจ้าก็สอนแล้วก็ทาตามคำสอนของพระเจ้าโยมเขียงเอาเออเอาอข้าว <c oughs> แล้วพรหองนั่งไม่จะไหนเว้ยพรหองน้่งเขาปล่อยเขากัฟาดะเจ้ามึง น, นยแล้วเาานี่ยว่าพระอุ้ยน่าห่วยไวสมัยทุกวันเนี่เข้าห้องน้่งก็จะ้งเงื่อน เวลาไป ม, มีอะไรฉันไปต่างประเทศตา่างแห่งไม่ใชคนสบายแต่ว่าอหาเรื่องไปโอ้ยมันก็อกว่าถึงใจแต่นอกี้ว่าพูดเรื่องโลกไม่ทิ้งสุดง่ายล้วต้องพูดเรืมม่องธรรมะตัวเอาคาของพระเจ้ามาพูดเสียงกันไม่ได้ถ้มันยังเถียงกันอยู่ไม่แล้เอาคําสอนของพระเจ้าหาว่าพระหาว่าพระโชมเป็นสังฆราชไปสอนสังฆราช เรียนมาแล้วไปสอนสังราชะถือว่าสอนสังรา ร, ออราแล้วก็ตอบดอยู่ทำตามคำสอนของพทธเจ้าจะไม่มีปัญหาตัวคพุทธกา ร, รเรื่องอะไรเขาเหรอให่ปันกันในเมื่อเกิดกิเลสก็ถามยึดไปยึดถือแล้ว ฝ่ายพิธารายเจ้ามีิธาอาไว้น้ำพุใดกล่า ไ, ไปอีกจิตใจนไปยึดถือเราปัดใจปัดใจปัดใจว่าปัดออกกักใจนะบอกว่ามีหน้าที่อะไรกับในเผยแผ่ศาสนาต้องใช้ภาหนะกว่าไปอีกที่ผมบอกไปพระพุทธเจ้ามาจากประเทศอินเดียอะไรมีรถมีเรือบอ เดินมาด้วยดวนี่พระบางหลวงเป็นยังเดินไปหรอมีน้อยมีน้อยเขาตามมีน้อยตัวหายากหาครูบาอาจารย์มีอยู่วัวนนี้ก็มีเดี๋ยวหรือเจ้าสอนเดีมีไหมหาต้องยุ่งกันตัวว่ไปกวนพระอย่างโน่นควนพระอย่างนี้ไปหาตรวจสอบพระอย่างโน่นจยางนี้พระก็อยู่ไม่สะดวกสบายหรือว่าสบายหรือหาเรื่องยุ่งใส่ตนเองก็เป็นอย่างนันววงง้นเลย ถ้าทำตามของพระเจ้าไม่มีอะไรไม่เข้าใจทีหากวมียวากใจอันมีจะอนนี้จะวาตังการาโอภารวะยตัมม so ิโนปจิตตวารีรสันเตเฮสังโอปสมมติโกสามเณรตามรันทิชา มาริโตจามาริสเรสาธิวังมาริสามินาติเมตสังสัยโยอวโลกาเวินวตโตสะปัสสนตาควาติโตสะปเวรามาติกันโตเนผู